คือเจเล็กแล้วก็เกิดดีหลวงพ่อพระกระลงทุทกทุกลูกแล้วก็จเจริญพรญาติยโยมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ ปฏิบัธรรมะสนุดหนึ่งไต่อจารย์แล้วก็จ OVER ที่จะให้เพืท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากเลวงพ่อใหญ่ของเราการปฏิบัติธรรมน้นแล้วเพื่อนท่านทั้งหลายก็คือจะทราบอยูแล้วว่าเป็นสิ่ที่การเป็นิจศึกแล้วจะเป็นสิ่งที่สื่อและกิจศึแล้วก็ในสี่ินของคนทุกๆคนเพราะงรรมะ นั่นเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาให้เราเข้าใจแล้เวเราจะปฏิบัติให้มันเข้าใจถึงตัวธรรมะจริงๆตั่ธรรมะตัวชีวิตจริงๆที่เราจะทํำอยู่อยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมะอันอผมก็่ะมาก่อมที่จะไปศึกษาธรรมะตปฏิบัติ อยู่กับหลวงข่อหลวงพ่ อ, อ ม, มาบวชมาแล้วว่าจ็ดปีอาจจะมาบวชมาได้ร้ยจ็ดปีแตปฏิบัติารรมะกับหลวงพ่อตอนนั้ไม่เข้าใจอะไรพูดอะไรจะพูดเลยนะไม่เข้าใจแตพ่อตอพอไปปฏิบัติธรรมะกับหลวงพ่อหลวพ่้ว่ามาใี้ปฏิบัติธรรมะ เรียนหนึ่งจนะ่เข้าใจนะเข้าใจพื้นฐานเรียนหนึ่งจริงๆเข้าใจเรียนหนึ่งเต็มๆเลยเข้าใจต่พอเีเข้าใจแล้วมันรู้สึกว่าไอ้ที้จุดเ้าไม่เกิดดีไม่อะไรเลยไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยตอเรีปฏิบัติชนะพอเข้าใจเรียนเรียนหนึ่งถึงรู้ถีงเข้าใจอ้่วามเงาเรื่องดึง มันไม่ได้อยู่กับผ้าเหลยอมันไม่อยู่กับหัวเลือมันไม่ได้อย่ายนไอ้ผ้าเหลืองหัวเร่นเรืองไ่อย่่งย็นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันก็เลยจะทำให้เราเสียอ่าสการห่มผ้าเหลืงนี้ก็เสียอาการปวดพรือว่าเป็นภาวะยาดึงมาไงแต่ถ้่เราไม่เข้าใจแล้วมันก็จะทำให้เราเสียการทาดยก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาสิ่ก็ดีอันนี้มีมันอาจจะไม่้นก็ เราปฏบัติขณะเดินหนึ่งเข้าไปให่กเคลนฐานคือที่เราส่้างจังหวะเราเดินเป็นกลเราเคลื่อนไหวให้เรา่องสติกำหดรู้เอาพอมีเรื่องปัญหาใี้เข้าใจเรก่นามก่อนอย่างนี้จะได้หมเข้าใปโดยที่ไมีได้ยินไม่ฟังนะเข้าไปโดยที่เราพูดมาก่อนพูดมาก่อนเข้าไปในภาวนะที่มัเกิดึัญาเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปโลกแล้วก็เห็นนามโลกแล้วก็เห็นสงม เห็นร <S ess> ิงจ <ess> ิเนนิจจิงจร้สัตว์ิจจิจ้ก็เห็นอนุจังเห็นทุกข์ขเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นบาปแล้วก็เห็นบุญแล้วก็เห็นศาสนาแล้วก็เห็นพุทธศาสนามไม่ใช่นีอารมณ์รุนแรงตกแทนั่นเองเหนจิจริตามจริงนี่ว่ามึนนั่นีีนนี่นี่นนี่นี่นีนเข้าใจอารมณ์รุนงนี้เอง เพระเรดาโลนาลนนี่งานแล้วเราจริงเรไม้ไปดูคนคิดคนที่ยังไม่รู้จากไม่นรัทนาเราพม่ไปดูอนคิตอย่าไปเล่นกับคนคิดถ้าเราเล่นกับคนคิดเราไปดูคนคิดแต่เราม่เล่นมันจะไม่มีฐานแต่ถ้าเราได้พื้นฐานดีๆแล้วเราจริจริงเราไปดูอนคิดดูคน้ก่อนคิดอะไรจะพูดวันดหนึ่ง เราดูความคิดนีอจะนานเก้าวันอะไรเือนเีว็ด huh> ูเ้าวันไปเห็นอารมณ์ปัจนัตเห็นวัตถุเห็นอาการปัจจนก็คือสิ่งที่เป็นอยู่นีอยู่เพราเรานี่ก็เป็นอยู่นีอยู่จิตใจนี่ก็เป็นอยู่มีอยู่ปัจัติถาสมมติบังคับปันัติบังคัอับังคับอันนี้รยบังคัทุกอย่าง เราสมมติเป็นยึดบัญญัติปรามะบัญญัติอัฏฐบัญญัติถ้าเห็นปรามะเราก็เห็นวัตถุล้าก็เห็นอาการก็ต้อตอนนื่องขึ้นกันว่มันเป็นสายกันไปเลยถึงปรามะเห็นวัตถุเห็นอาการล้วก็มูแต่ตอนี่เห็นเห็นโลภะเห็นโทสะเห็นโลหะจะไม่เห็นเป็นข้มเป็นตอนเป็นข่านเป็นตอนนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเพราะว่าจะให้หลวงพ่อใหญ่ท่านพูดถ้าวันนี้ท่านจะนเล่นดี แล้วหลเราเข้าไปจริงิเลยถ้าใครได้ไปจริงๆแล้วท่ใครไปได้จริงๆสมบัติจริงๆอะไัเรื่องเด็ก้หญิงเนี่้าใครเปคนทุกคนที่รักทุกคนอาจจะจริงๆอาจจะตัวพูดแต่ก่อนแล้วเนี่ยคนที่เ้าไปนี่เลยเาเราไปไปไม่ใช่ว่ามันี่นะไรมันเปลี่ยนไปเห็นว่าลุกเป็นขั้นเป็นอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเปนตอไปจนถึงจุดจบของมันเองเนาะคนี่ไปถึงมันเกิดยอ่ออกมาจริงๆเพราะเขาแค่ได้สอนเรื่อง นี่จสอที่นสอนอา้อันที่มันก็จะเป้เ้า่สอแบบนี้คนทุคนแต่บางดีท่านก็แล้วามก็ไปดกเรื่องเงิเรื่องย่นอมีตัดอที่หนางเนี้าจะต้อจะเลี่มาหนาีห้าวันถ้าใครทันอกใปจริจจะเข้าใจสิงจิเงินจะเป็นได้จริงจนนิรพราะฉะนั้นการพูดก็จะจบเมต่อไปก็ได้รัธนาหลวงพ่อด้นนี้ ได่วมเื่อ <|so|> รักสุขคบกันครับทังใจฟางกัแล yeah. ้วก็จะลงพรนอบเยนคบคนท่านดีท่านไม่ตายทั้งใจฟังหากเราฟัใจฟังแล้วใจฟังจะได้ประโยชน้อยแค่กดันไม่ได้ไปปฏิบัติก็อาจจะได้ตรง ที่เ่าตั้งใจฟังแล้วเข้า ใ, ใจเกิดจนได้แ่ม้มในสมองของพกเราเ่าไปปฏิบัติก็จะไม่พลาด <S <S สีกมอาวุธสมหยางสมบูร์คขาเอาอาวุสมก็หมายถึงอะไรอใจนันเองวันนี้เป็นวันที่นี้วกราคมสองพันห้าร้อยสาิเป็นปีไหน การเพื่มีตู้ไปเป็ น, ปนหลายคันนี้ก็จำแนกยาเหลายหลายของที่คั่นเปิดของที่ปิดไปเราเริ่มนานกันมาตั้งแต่วันที่สามติดแต่เยืนวันที่สามติดนี้กบคงจะไม่ได้มือทำกันมากเท่าไหร่เพราะว่ า, าย็นจะมาพดกันยึดจกันกระตุกั น, ก น, กน วันที่3แล้วก็ลงมือทำการงานของเราหน้าพอใจเพื่อนสนิทได้มาเรียนมาเห็นมาดูงานนี้ไม่สึกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยการทำอย่างนี้ก็รทำมาก็จริงเคอทำมาค่อยจริงแต่มันไม่เหมือนกันการทำการพูดก็จะไม่เหมือนกันเมืถึงการ การนอนการหกการสัมหรือว่าบการสําอาหารก็ไม่เหมือ น, านากันอีหน้าพอใจเห็นพระสงฆ์เจ้าผู้ที่เป็นพระเทเลียงอกเที่ยใจจริงจิงหรืผู้ที่มาปฏิบัติตอดตั้งใจจริงจริง้สองอย่าเนี่ยมีคาถาพร้อมพรกันดังนี้กนกาปฏิบัติธรรมเนี่นจจักับชีวิตทุกๆคน คขาซื้อตัวหาซื้อไม่รด้ขายไม่ได้เนื่อจากซื้อขายเป็นราคาจากล้านน้อย้านของล้นก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใคขายเลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมะน่าพอใจถึงเคลื่อนทุกขเป็นทู้เลวเมตต์เมตยาเป็น น, อน้นอยเมตตุนำเอาพอเหมาะพอดีกับพวกเราดังนั้อนของพวกเราทุกคน ต้องออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราทำมาเรยนี้ดีขึ้นมากกว่านี้ก็จะดีมากต้นน้เรานั้นพระที่นำอาจารม์คนรู้ที่จะแนะนาญาติโินดได้ถ้าหากว่าไม่มีคนรู้จะกหะนำญาติโยนผู้ามาศึกษาอาจจะไม่ตรงเ้าหมายก็รเ อังนัอาตมเี่พูดถึงการปฏิบัติธรรมนะนํนำให้ลงจุดนละเจ้อหมายนั้นก็อยากจะเล่าเรื่องส่วเองเพราะอาตมาเป็นคนที่พูดเปลี่ยนตัวมากที่สุดตลอดการทาการพูดจริงๆเอาคนจริงมาเล่าตักันฟังอาตมาจนคนที่เสียหนังสือได้เป็นอ่านหนังสือได้ได พูดภาษาการก่อไม่ถูกต้องตามอักขละและพยงาสงส์เสียงเสียงสูงไม่เู้การพูดจำเมียงในขณะนี้ก็พูดไปอย่างนี้ไม่รู้ตัวฟังเอาเนื้อหาสาระอย่าัวคิดอักขะพยางค์เสนกงหมดนั้บมนี้ยากโยมผู้พูดฟังอย่าไป จ, จับยังไงและเพื่อนทึกสื่สจเนิน คนที่ยไม่เคด้ฟังกาจะไปจับอย่างนั้นให้าจับ ก, กีฬาหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่ท่านจะสอนอย่างไรการมาเคยให้ทานการทานนี่ว่ า, เอ า, เ, อาเอาให้เอาให้โรยวามทานไจากเป็นวัตถุเป็ของใดใดต่างก็นอกถึงปัจจัยเรื่องเงิตั๋ท่ย า, า, ยายารักษาโรคเป็นวัตถุภายนอก ทามได้อย่างสบายด้วยอารมพราะสงเพราะซึ่งกันแลกันซึ่หล่านี่ยเป็นปัจจัยที่พระนี้อพรยาตายายสคยสอนเอาไว้ก็อย่งไี่รู้หลักพุทธศาสนาอย่างเทือกเนือการทางคํามนั้จะทานทั้ท ง, งตัวนั้นอาตมาไม่รู้ไม่รู้ข่าวนันก็มาด่าวมัน ที่จะมาถามเลี่ยับพสมมาอาหนดี่สองสามของานาปานัสจีผลทีอาจามาทำมานางพอสมควรเรื่คพูายังไงพอที่จะเข้าใจและจับปจควนในการพูดกันได้เพราะว่าตัวเองเคยจิตษาและปฏิบัติมาก็จึงได้ปวหมายคุณบาอาจารย์ทีนแาให้กันคื บอกว่ากกันก่อนเรื่องนั้นดังนั้นในขณะตรงนั้นยังไม่เข้าใจจา ก, การทานทานเงินธน า, ทาทรที่ปวงเข้าใจล่าทานพระพุทธลกเงิทองเงทองขัง บ, บนะเป็นแม่หลวงเป็นพระพุทธลูยเจ้าของทนทาเข้าใจยังนันลเขียนางนี้สูตรธรรมจะทหลายทานเป็นทานในเวลาเข้าใจอย่างนั้น ก็ยังไม่รู้การถามทําคือถามอะไรได้รู้เลย ต, ล 4, ต่อมาเม่อายุสี่ิบหกปีนี่ยอจมาก็เลยเข้าใจว่าการให้ถามทางรัตถุสิ่งของนี่นมัเป็นข้นการทมเมงินตะเชมีของคนไทยเพราะเป็นการอนุเคราะห์สงเคาะห์ซงเติต็กันและกันเข้าใจหรือไม่ ในเรื่องการรักษาศีลนั้นเราเคยบรรษาสมาธิมากับพระแต่การกระทาอย่างนั้นมันเป็นเพียงแค่เพื่อกะเียบรถถักดนจะหาซื้ของรักษาดีมาเข้าให้รงงานานนี่จะอาไปทำให้เป็นเต็มเป็นโ ต, ต, ต, ต, ต, ตขึ้นมาหลอหลอมขึ้นมาหรือเอาไปถลึงขึ้นมาเอาเงินเาของ กาศึกษาสื่อนจินเคอได้ยินเคยได้พูดเคยเรียนกับเุบาอาจารย์ว่าสื่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างการอัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างเอียม่หรแต่พูดได้ไม่างเรือเมื่ออายุี่สิกปีเนี่ยเราทำนิสัางเคลื่อนไหวทุกมีอขึ้นขึ้นมือลง ยกมือไปเอายีมาเดนหน้าถอยหลังเอียงซ้าเอียงขวตก้มเงยติตาเมื่อมีตาขึ้นหลับตาลงเลืออซี้เหนะวาคืนนั่นลายเข้าไป็นพอเนี่ยก็ตีคนามทีสุดิดในเรืยองบทเหล่านั้นก็เลยมันไปตรงออกกับคำพูดคำสอนที่พระเจ้าสอนเอาไว้ว่า ให้มีสติกำหนดรู้ในอุเกขติเดินเดน น, นอนให้มีสติกำหนดรในอุเบกข์ย่างๆเหล่านี้แล้วท้านมีการแนะนําให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอุเบกข์ท้่เหยียดเคลืไหวโดยที่ใคทก็ให้มีสม ต, มติสกำหนดรูรทร้ทัทนทสอนไม่เคยเข้าใจเอซึ่งที่เราทํา ในขณะน้มันตรงใาหมายท้าการศึกษาธรรมะกับธรรมะข้ามไม่ได้ธรรมกข้ามนี่มัน้มีการเครื่อนไหวอตลอดเวลาจะหยดนิ่งไม่ได้ถ้ายดนให้ไหลอนตรายเกิ ด, ดก ข, ข, ขึ้นได้ไหม่ึกขึ้นมา่าอนตรายจะหมายอะไหมาถึงวหดลหายการเคลื่อนไหวหยุน เ น, น, นื้อขอความในพระสูนี้องดังนั้นคนเราจาระศึกษาปฏิบัติเรื่อยไปตามต้องศึกษาในขณะที่เราอยในหายใจดูคนคิกนึกคิอะไรให้แต่ไม่ให้รู้เข้าใจจ่งไม่มเป็นกัจจัยที่สำคัญไม่จะให้ผ่านา ล, ล้านล้านพันล้านก็ไม่สามารถทีจ่จะให้เราแก้ รู hm. there, ้เข so ้าใจสัมผัสในชีวิตของเราได้กานรักษาศีลสาณาอัตากาเมฆาศิลาเหล่าศีลห้ายกือรักษาอุเบกขสศีลศีปก็ตัดรักษาศีสร้อยยี่สิเจ็ก็ตาดอัตนาเขาได้เหวีเป็นภาคเพึ่งศีลนก็พยายารักษาศีลทุกขณะ ก็ยังไม่สามารถที่จะให้เลี้ยงเกี้ยงตัวเองได้เ น, นื้อหาเสี ย, ง น, นน ย, ง, ยงนั้นกำจัดพิษได้กำจัดกิเลสอย่างยากไม่ได้ดัง น, นั้นสมาธิที่ควรจะนั่งจับตาภาวนาพิโคสัมมาอรนนักนึสองสามพริ้นิศานาตาสติดีดีแล้วยังไม่สามารถกำจัดจิเลสอย่างกางไม่ได้ พราายงม่รู้จุดเลือดยาง ก, ากาลางมีเลือ้ไหลคนะสังถามอย่างไรไม่รู้ผมเองไม่รู้แต่คนอื่นอาจจ ะ, ร, ร, ะจ ร, รู้เนื้อกาการจัดจิดเลอยงลเีย่ที่าาาภาคที่กาเป็นอาสาพให้อนเป็นอาสาภาลนลืทรายเข้าเป็นที่สะกดโคตรนยมาทิาจารเองอันนี้นเป็นการนึกคิด ข, นข้นมาเอง เธอเม่ใช่จินยานสัญญามาสนะตะไร้เกินเหล่ า, น, าลนั้นดังนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนทกทิกแล้วยากเดี่ยมกับเพื่อคัดเลือกวิธีที่พระพุทธเจ้าจไอ้ เ, เอาไว้นะให้มีสฏิกิก ร, ริยานี้ในระบดท่านตืบนบนน่นเดินเดินแล้วให้มีสฏิกิก ร, ริยานยี้ในอุระบดเลื่อยเรเคลื่อนไหล โดยยุทธวธีก็ตามื่านนเรืไม่มีปัญญาก็เลยกำหนดไม่ได้จึงต้องหาวิธีเมื่อว่าวยุทธการขึ้นจังหวะเพื่กำลังตกดขัดติดเกณฑ์กอยู่ในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้ให้เอาเมอยมาที่เดินขาลียพัดท่ก็ได้ขัดสนที่ก็ได้เหยีงเกาอู่ก็ได้ถ้าหากเป็นเท่าเนเกลี่ยส่งอะไรก็ มืบันเดอเโลเองมีเทงขาเทงเสาเอาหมอนมีเอาอะไรมาเทงกับนั่งอามียางแลดินขาคล้งไว้พิดมีหัวขึ้นขาซากแต่คนใดมีกำลังแรงทางมือซ้ายจะต้องพิดม <Nat ulating S 1> ือซ้ายขึ้นกัะแทงไว้ทางขาซามาจะทำาน่แล้วก็มีตั้งขึ้นกับให้ลืจุดยีนึกกับให้ลืจุดควงลืบจุดนั้เรืองหล มีสตินี้โค้ภาษาฉันแม่ลยว่ีสติเข้าประกันแบบนี้โค้ชภาษาฉันแม่เลยว่ะให้มือมือลูตัวล้เก่าลูเก่ายกมือขึ้นอระมือมันไหลตัวขึ้นมาน่ยให้ลูเ้ื่อมันหยุดมันิ่งหยุก็ให้ลูแต่ไม่ใช่นิ่งไม่มีปัญหาใจไม่ต้องวิตกอ่างนั้นคือมันหยุดนี้จะเรื่อทุกตาหายใจ เลือจ้าเลยหัวตาเราคือเรื่อง่าไกังวลเทานั้นเคยดำเนายเคลื่อนไหลที่มืหยาบหยานี่ก่อนวันนี้เอามือเข้ามาที่สะดือเหอแ่ทักเนื้ออยู่ที่ตรงนั้นพอเนี้มะกดมันก็จะเอามาเนไวเบาๆมืจดมือมตัวมืการเครื่องสั่งไหลอันนี้แหละน่จะพูดนือซ้ายขึ้นตามลาดับที่เราเคยแนะนากันมา เพื่นแม่างานมันเจ็บเท้าเจ็บขาเพื้นหลังปวดเอวบ้านหลังกระดูปวดเอวทางเทื่อนไ้่อีจจะปวดเอวอาจะว่าอย่างนั้นนี่นจะพยายามคลื่อนไหล่ยล่างเขา่าเล่อตัวเครื่องอยาเคยทำเลขาพุทให้เบ า, ามากเลพอสมควรดังนั้นเมื่อทำอันนี้เนี่ยสันานจะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่สันญาเป็นเรื่องจำมาจากตารับตรา ทน้มนเป็นสัญาที่เนี่ยนักถือดิเอามาเข้าโรงงานเข้โรงงานบ็ดทเข้าไปจะเอามาใส่อนล่อหลอนจะเปองพระนาก็ได้วันนี้สัญญาตัวนี้กับสัญาตัวนี้จะทำพู่าสัญญาเหมือนกันตัจการกระทนั่กับมาให้คนดูได้เห็นสัญญาอันนั้นจะคอยากถึงพิลามิตพิลามิต เมื่อสะสมมากมาเข้าเนียานกาัญญามีจะเข้าไปรุ้เองยังาีแต่ว่าเข้าไปรุ้ไม่ใช่เหาะแต่ก่อนเข้าจะว่ายานต้องเหาะเข้าใจไหมเมือมัเข้าไปล้พอเพื่อบนตงมับเตินของมัมแมันก็เลยเหมือนกับน้ำที่เราเลงใ้เต้าเต้า น, น, น้ที่เราเอามาสําผัสกันเมื่อมันเติมตมันก็นเล่นออก นั่นเกยเมันเลนเข้ามีจับเล่นเข้บนดินดินไปตึงเย็นไปนี่ตะคุกกับลากไม้ต้นไม้จะขดขึ้นมาเพลาะว่ามีเย็นเรื่องหน้าตัญญารอบพล้ก็เลยเกิดมีเกเห็นเกเข้าใจของจริคนะของจึิงนี่หมายถึงอายัดศัพท์ศัพท์นเจ้าของจรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แต่ถัง คนที่ถาวรเลือกจะรู้หรืก็เป็นอย่งนั้นไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นมื่อนี้คำนาะที่พระพุทธเจ้ารู้ในประเทศอินเดียมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองเป็นคนรู้เป็นคนเห็นเป็นคนสัมผัสแล้วจะนำมาสอนคนในประเทศอินเดียแก้ปัญหาคนในประเทศอินเดียแก้ทุกคนในประเทศอินเดีย แต่คนใเทศอินเดียเองก็ไม่เป็หมือนพกคุณดนั้นือขที่เือดคนจึงเห็นหเมตุเหตรืองขั้นพักในวิจรธรรมจารย์กัอุปการ์พื่ให้แจ้งว่ในประเทศอินเดียมีน้ยแต่หน้าที่น้อยแต่ที่กายน้อยแต่อาจารย์ ไม่วัาแต่เรื่อง็นไทยเราไปจับเอาคำสอนของพระุธเจ้าในประเทศอินเดียนันเป็นหลักพรศาสนาของสิงคโปร์มาเพื่ออาจจะไปพูดเอากับนัที่อาจารย์เองอื่นๆก็ได้หรือไปจับเอาคำพูดคำสอนของนักทีอาจารย์เองอื่นๆมาเป็นคสอนของพระุเจ้าก็ได้เพราะคำพูดนั้นค้ายๆกัน เมื่อพูดตีวย่น่การพูดก็ไม่เหมือนกับคนไทย้องเป็นภาษาต่างกับคนไทพูดเพราะเป็นอินเดียพูจต้องพูดภาษาคนอินเดียคนอินเดียจังกันตเล้พราะเป็นภาษาเพ่อนบ้าของคนอินเดียคนเทาจะแปลจะจ้อนเรียนภาษาอินเดียเข้ามนพูดต้องกับฝักเ่นหักห เขาไปเอบอย่างนั้นหรืออาจารย์ออนมาทิดอย่างนั้นมีคนไหนอย่างนั้นอะเรอย่างนะ้แล้วภาษาายอินเดียเข้ามาสืบภาษไทยก็เป็นของยากแล้วก็เป็นของง่ายนะเมื่อนั้นเราศึกษาปฏิบัติกันในขณะนี้อสมาแล้ผมเรียนภาษาอินเดียในส่วนเสื้ภาษาจายและก็นภาษาจากําลังเทศให้ยากโดยเลื่อนตัว นฟังในขณะไม่ก่อแม้พยายามขพูดตัวเองม้ใครอาจจะพาดก็ได้ถ้อัจฉริยพูดเป็นภาษาคนเลยที่คำพูดตัวคามาเำบนบุหนน้าบุคนและอัจฉระไม่ด้ระวังเลยแค่พูดตามคำนามในภาษาถินของเรามันพูดงายอย่างนั้นดังนั้นการพูดในขณะไม่ก่อให้ยากโดยไม่เพื่องศึกษึกาเมล วางเพราะอาตมาที่เปภาษา ส, าสัมเนธสิงเทศไม่แพ้ต่างคนนันเองไม่ใช่เป็นภาษาพื้นบ้านของอาตมารจริงๆก็ภาษาคำพูดคำว่ตาเนี่ยทางสิงเทศกว่าตาเหมือนกันบ้านอาตมาก็วาตาเหมือนกันหยเนียก็ว่าหูเหมือนกันก็ผิดกันคาว่าจะลูกเนี่ยบ้านหลวงก็ไม่รู้ไม่มืที่เวลาดังเลยคมหมายมนเพียงไปยางไงไม่ กจหี้นี่ยถ้าเปนเปี่สือเนี่ยตอนนี้มันเป็นเป็จอแล้วกันนี่มา ด, ดังเป็นกระดอแล้วกั น, นี่ยทกขกันย็นความหมายจร้งๆอะนีเนี่ยอาจารเคยมีเพื่อน เ, อเานลา้ฟังในประเทศครเนี่ย่อวัจัดสเนี่ยหรทออเเขมรู้ไม่ต้องคิ้ฝาบาหรีก็เล ย, ย, ย, ย, เ, ย เ, เ, เทิในเรี่ยงเพืออามารูผท่านอาจารย์ทุกท่าน ชื่อให้เป็นผเลี้งหลายองค์แต่ไม่ระบุชื่อเอนระบุชื่อแต่เพียงว่าผู้แม่นางเมื่อชื่อหยุ่นเลยผู้ดน่เนเลยาพบ ก, กับเพื่อนพุทาว น, นามห่งอนี้อาจารย์อมญาตคงจะรู้พะท่านเป็นสมภารเป็นเจ้าว่าเป็นหัวในงาน รักกะะันมร้งศาสนานไหนข้าจพยายามกับตรงเพื่อนทิกสุผู้อยู่รวม อ, อาวาสเดียวกันถ้ามีควาสําคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะทำยัางไการสร้างรัฐปีใหม่คล้ายปีเสา์ถ้าจริงผู้ที่อยู่รวม อ, อาวาสเดียวกันก็ควรจะเปิดเอลิมหรืปัจจนากรรมฐานอยไรเนี้ยคือว่าเปิดเอลิมก็นหมายถึงเรียกร้อง ให้ญาติโยมท่านยิ้ละายเพื่อนทุกตุต่างว่านต่างนักต่างอาว่ามาลูการกระทำการพูดการสั่งการทำทุกอย่างเนี่ยท่านก็ได้สาธิตทุกครื้นในการสาธิตให้ญาติโยมดูคนที่ยังไม่ลือมาลือพระสงฆ์ที่มาต่างอาวา ก็พยายามสาธิตถ้าด้วิธีปฏิบัตินั้นการกระทาอย่างนี้จะลูของจริงเพราะของจริงนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือการเคลื่อนไหลโดยวิธีใดก่อนรู้ทำเห็นทเข้าใจทำดังนั้นในขณะนี้พวกเราทำเมื่องจะเล่นสติจะเล่นสมาธิจะเล่ปัญญาเขารู้ทมเห็นทมการรู้ทำเห็นทำก็ มูตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราสัมผัสเนื้นอเน่องนในตัวเราด้วยเห็ น, รนธรรมจึงทำมาจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเจอที่อาตมาเคยทำมานั้นเมื่อเห็นธรรมก็ต้องเห็นสีแสงพระพุทธรูกพระพททธเจ้ามันเข้าใจไปอย่างนั้นเจอความจริงจึงเหล่านั้นมันเป็นมายา คอือบางอาจารย์เมา่เห็นมีนิสข้าวใจจะเห็นธรรมมากเลยนะเนี่ะะยข้าใจยังไงคำว่ามีนิสตัวเครื่องหมายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเครื่องหมายคืออะไรการเคลื่อนไหลให้มีจิตเนี่ยดอกก้าวหมายเรามีสติยิ้มเข้าทําเหตุการเคลื่อนไหลดอกกล้าวหมายจัดเป็นมีนิสมีนิสจิตตัวเครื่องหมายเครื่องหมา ย, มา ย, ค, าย ค, คือสัญญานั่นเองสัญญาตัว น, น, นี้จะมากขึ้นมากขึ้น จะทำให้วัสดุงงาเหมือนกันเมื่อสำงานลืมมากขึ้นมากขึ้นงานปัญญาเข้าไปลูมคำ่ า, ายานปัญญาเข้าไปลืมมันไม่มองเห็นอย่างที่เปื้อนเพื่อนไ้สังวัตน้ำในตุ่นลงในตรวแก้วตุ่นแก้วก็ดูมัรองรับเอาน้ำนั้นไว้ได้จุ่นน้ำได้ทุกหดทุกตับน้ำก็เต็มสมูรเมื่อหยด น, นา หลดลงมามือนกับชนถือจะชนลิดาน่อยพ อ, อ, อสามถ้าหนักที่รองรับนะดีแล้วจะสามารถตนได้แล้วก็เล้นออกไปผุก